พอ น, นั่ง <c oughs> ฟังในความรู้สึกตัว <c oughs> บทสวดที่เราสวดจบไปเมื่อสักครู่นะี้มันเป็นทางหนีไฟทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินของมนุษย์ ที่จะพาตัวเองไปสู่ความปลอดภัยหนีทุกข์จนพ้นทุกข์อริยมรรคมีองค์แเป็นทางหนีไฟไปที่ไม่เยอะไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะ ไฟที่แล้วความหลกความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาริษยาร้อนรุ่มอยู่ยากัดแย้งตายจากพวปูมความเป็นมนุษย์ไปเป็นเปรตสันนลกสุรกายเลรฉานภูมิต่ำถ้าเรามีทางเดินก็จะวิ่งหนีก็ได้เดินๆสนนักหน่อย มันประมาทไม่ได้บางทีมันมาแบบบูบเดียวนเงี้ยทำอะไรชืวว่วบูบหมดอนาคตไปเลยบางอย่างกลางเดียมก็ไม่ได้บางอย่างลองผิดลองถูกกันได้บางอย่างต้องถูกอย่างเดียวเลยผิดไม่ได้ผิดพลาดแล้วมันก็ เป็นเส้นยาแดงผ่าแปดลงเหวไปเลยเห็นแล้วเราหมดโอกาสที่จะพบกับทางรอดพบกับทางสว่างประตูนิพานมันมีประตูใจนะประตูใจมันคือประตูของความรู้สึกตัวเบื้องต้นเป็นพุท ธ, ธาภาวะรู้ตื่นเบิกบา น, นตื่น เมื่อก่อนมันหลับมันหลงมันไหลมาลงที่รุ่มมันก็รุ่มร้อนตอนมันทวนกระแสอริยา ม, ามรรคมันแปรน้ำทวนบิงทวนทวนกระแสความคิดเราสังเกตได้ดีสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้อง เมื่อกี้ที่เราสวดเนี่ยนะอริยมรรคเมลงแดเนะี่ยที่บอกชอบฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็ดูดีๆสมาธิมันเป็นน้องมหาสติมันเป็นพี่สัมมาสติสัมมาส ม, มาธิแระดับสุดสัมมาส ม, มาธิฌานสูงสุดก็คือมีสติแล้วแลวอยู่เป็นฌานที่สูงที่สุดเพราะฉั้นการฝึกสติมันได้ฌานที่สูงที่สุดเลย แต่หลายคนชอบความสงบบางคนชอบความสงบนั่งเท่าไหร่มันก็ไม่สงบมันจะไปสงบได้ยังไงในเมื่อกำลังหนีไปอยู่มันจะหนีแบบนุ่มนวลเย็นเ ย, ย็นไม่ใสชมนกชมไม้ได้ยังไงมันเป็นการเดินทางวันนั้นก็มีปฏิกยาการมากมายเหลือเกิน ก็กำลังเอาตัวรอดอยู่สร้างบ้านตั้งเรือนในเมื่อมยังอยู่ไม่เสร็จมัยังเสร็จมันยังอยู่ไม่ได้มันก็ลกลงลังเข้าไปแล้วเ อ, อเอ่ยเยวตะปูที่เมาเสียนน้ําตามเมากระจกแตกบาดเอาสังกสีบาดเอาตกลุมตกหลองเจอก็ดุเจอก็ด่าก็าบานมันยังไม่เสร็จจะยุ่งก็ทําำไป คนที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นคือช่างกระทำเมือเหงื่อตกออกเรยวออกแรงเหน็ดเหนื่อยแต่บานเสร็จแล้วเราเป็นผู้อาศัยสบายไปเลยถนอ น, อนทางกำกันก่อนรถมันจะวิ่งได้คนตัดจะเป็นยังไงั้งรถไถรถเกลีทั้งรถดำั้งรถบดั้งรถฉีดน้ำ มีเครื่องขวางกั้นมากมายแล้วกันบางคนก็ขับด้วยความเพลิดเพลินถนนก็กำลังปิดอยู่กำลังก่อสร้างอยู่ไม่รู้ว่าวิ่งหลุดไปน่นพุ่งลงไปตายก็มีไม่ได้ดูตามาตาเรือการแบบทำฉันใดก็ดีขณะปฏิบัติเขาจะต้องมีอาการไม่สงบเกิดขึ้นมามากมายแล้วกันนั่นแหละคือทางผ่าน เป็นทางเดินมันเป็นทางสุดตรงสองทางที่ไม่ควรดําเนินทางสุดตรงก็คือทําให้ตัวเองทุกข์ลำบากอัาตาเราไม่ทานุโยกกินเหล้าสุบุหีิทางานตรากตรำไม่หลับไม่นอนไม่กินไม่ขับถ่ยทําตัวเองให้ลําบากเที่ยวทั้งคืนเอาแต่ใจตัวเอง ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอากตันยูทำให้ตัวเองลำบากเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นการ ม, มาสุขาและกา ย, ยกการกินเกียดอยากได้อยากมีอยากเป็นทะเยอทะยานมักใจไฟสูง ไม่รู้ชาติไม่รู้ตระกูลไม่รู้ฐานะไม่รู้ความรู้ทุติภาวะคุณฑวุตปยาวุตไม่รู้จักเกิดก่อนเกิดหลังไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้มานะตีเสมอเพืได้ความสุขให้ได้ดังใจกายมาสุขาให้กายโยงหลงในตารูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกเล่นกายใจหลงเข้าไป ก็ชี้นำสั่งกระแสให้เราได้อยู่โลกก็หลงไหลโลกอยู่ภายธตรมนาจของโลกมันก็เป็นการมาสุขายกาโยกบ้านดีๆรถดีๆที่นอนดีๆอาหารดีๆโรงพยาบาลดีๆหมอดีๆดีหมดใต้สกแย่งจริงกันสมบัต ปัดกันชมมือขยาวสาวได้สาวเอาที่ไหนมีผลประโยชน์ที่นั่นก็มีการขัดแยง้งถึงเกิดการคอร์รัปชันแต่งบัญชีทํา บ, บัญชีนะทำแต่งบัญชีคนที่ก็บริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกก็รู้ว่าเขาบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนต่างกันนะมันเดินอยู่บนอายามักมีองคแปด ทั้งผ่านดีก็ผ่านชั่วก็ผ่านสุขก็ผ่านทุกข์ก็ผ่านมันไม่สงบก็ผ่านมันคิดก็ผ่านมันเจ็บปวดก็ผ่านมันง่วงก็ผ่านมันเบื่อก็ผ่านคิดไปอดีตก็ผ่านคิดไปอนาคตก็ผ่านเมื่อมันรู้อะไรก็ผ่านไม่ได้แวะไปหารายละเอียด ยิ่งหาอะไละเอียดมัางยิ่งโง่ลึกนะอย่างทุกวันเนี้ยเรียนกันโง่ลึกนะบางวิชาเราไม่เคยได้ยินเลยมันมีอะไรกันเนี่ยวิศวกรรมรมาเลยมันใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ๆโง่ลึกโง่ลึกฟู๊ตไซน่ะนะหลายคนรู้จักอ่อนน้าพริกเขียวหวานมีขายอยู่ที่นี่น้าพริกน้ําจิ้มอ่อมีขายอยู่ที่นี่เอามาผสมกัน ความหวานได้จากผลไม้ความมันได้จากเมล็ดถั่วอะไรผสมปรุงกันบางทีก็เอาของหวานทังางๆทั้งปวงมารวมกันทำกับข้าวําของข้าวแต่ไม่รู้ว่าต้นพริกเป็นยังไงไม่รู้ต้นมะเขือเทศเป็นยังไงไม่รู้ว่า ลักษณะของผลจริงๆเป็นไงว่าบทละเอียดมาแล้วเนี่ยจนเป็นสารเคมีรู้จักสารเคมีอันนี้เป็นกันเยอะมากเรียนสูงเรียนเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนเข้าไปแต่ว่ารีดผ้าไม่เป็นซักผ้าไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นหาของให้ตัวเองกินไม่ได้ต้องโทรสั่งเดี๋ยวมาส่งถึงที่ โง่ลึกอะปลอดก็ไม่รู้จะจัดการกับความปลอดตัวเางเครียดก็ไม่รู้จัดกับความเครียดตัวเองยังไงงดเงียบไม่รู้จัดจัดการกับความงดเงียบในตัวยังไงกินไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไม่รู้ทําไมนอนไม่หลับสับสนมันจจึงเกิดปัญหาต่างๆมากมายปัญหาของตัวเองปัญหาคนอื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นอันนี้แหละเปนทางตัน เป็นทางตันนอกจากทางสุดตองลาตันตีบตันได้สมกัรสับสนยุ่งเหยิงก็ค่าตัวเองเกิดนะตันหาก็มาหาไม่ได้ไม่ได้ดังใจน้อยใจตัวเองเป็นคนขี้เงาขี้ว้าเวนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมารู้จักกันทางสายกลาง เห็นชอบตอนนี้มันเห็นความจริงไหมเห็นชอบเรามาปฏิบัติธรรมเห็นสัจจคความจริงในตัวเราหรือเปล่าสัจจคความจริงนั่งอรู้นั่งกันเนี่ยหายใจก็รู้หายใจเนี่ยมันจริงมเนยกระพริบตาก็รู้กระพริบตาเนี่ยจริงไหมเนยมันเคลื่อนไหวก็ต้อสัมผัสก็รู้อยู่เนียก็าสัมมาทิฏฐิ มันเป็นความเห็นชอบสำมาสังกปะดำรีชอบดำรีเจ้ารู้สึกเนี่ยมันไม่ชอบตรงไหนเมื่อมันเป็นความรู้สึกตัวเอากายเป็นที่อยู่อากายเป็นวิหารธรรมกายเป็นผลิตความรู้สึกตัวได้ดีของอยาบส่วนจิตนี่ถ้ามีสติเยอะๆะเราปฏิบัติใหม่ๆหรือไม่เคยปฏิบัติสติลูกเจี๊ยบ จิบจบจับจับไปสติทารกมันจะมีเรีย่ยวแรงอะไรมากมายบินก็ยังบินไม่ได้ขนยังไม่งอกก็ต้องให้เวลาตัวเองหน่อยหนึ่งวันสอง ว, ส ว, สวันสามวันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีให้โอกาสให้เวลากับตัวเองที่จะบ่มเพราะรดน้ำพวนดินจนะมะันเจริญเติบ โ, โตขึ้นมาทางล่างทางบนนน มันจะเป็นความเข้มแข็งเติบใหรีโลกผ่านตลอดมันก็เป็นตัวปัญญายานวิปัสสนาญาณเกดิดขึ้นมาผ่านตลอดเห็นแล้วไม่ติดเห็นแล้วผ่านเห็นแล้วสลัดโดยไลเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเป็นตัวปัญญายานมันก็จะเดินทางสู่การพ้นทุกข์จากยาไปหาละเอียด กลสอย่างยากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดไอ้พวกนี้มันเป็นไฟที่เกิดจากความหลงจากความไม่รู้อวิชชารู้รู้ไม่ถูกมิจฉาทิฏฐิฝึกให้รู้รู้ให้ถูกจังหวะหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งนะแม่นม่นเคือนยดเคลือนระยดเคลือนระยดน่ะแม่นแนถ้าไม่แม่น มันก็ไม่เกิดปัญญาหรอกทำอะไรทำขาดการสังเกตขาดงานวิจัยทำ่าวิยะขาดความขยันวิยะมันก็ไม่เกิดผลอันะนะเป็นความฉลาดเช่นอเล็กซานเดอร์เพรมิงเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมัยฐาน เชื้อจูรินซีเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์ปรากฏว่าเชื้อมันตายวันหยุดไ่ได้ห่อาหารเชื้อจุลินทรีย์แต่การตายของจุรินซีนี่ปรากฏ ว, ว, ว่ามีเชื้อชนิดหนึ่งดำๆกินมันในขณะที่ต้องการขยายผลเชื้อจุลินทรีย์ แต่ปรากฏว่ามันยุติการจเจริญเติบโตมันตายไปก็หาสาเหตุทันทีคือสังเกตฮนะแล้วก็หาสาเหตุอ๋อมันมีเชื้อดำๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาแทนก็ไเชื้อดำๆมาดูซิมันคืออะไรเชื้อราะนิดหนึ่งโอมันมีสิ่งนี้ไอสิ่งนี้หายไปเพราะฉะนั้นไอสิ่งนี้มีประโยชน์เนี่ย เลเป็นยาปฏชิชีวนะตัวแรกของโลกเป็นนิสซอลินเนั้นไปทำในการสังเกตความรู้สึกตัวมันหายไปได้ยังไงอ่ามันหลงไม่ทางตาแล้วเนี่ยอ่ามันคิดแล้วเนี่ยสังเกตเลถ้าสังเกตแล้วมันก็ตื่นมันลืมหูลืมตาไม่ใช่ไม่รู้อะไรทําก็สอบไม่รู้อะไรมัง่วงคอหนึ่งก็ทําไม่ได้ขอสองก็ทำไม่ได้มันก็เบือ่อ เพราะคนนี้แบบทำแล้วเบื่อมันรู้แล้วรู้ไม่ถูกแต่มันรู้สึกตัวรู้ถูกไม่เบื่อหรอกมีแต่รู้ตื่นเบิกบานต้องเป็นวิปัสสนางแต่เบื้องต้นเลยนะมันฝึกสติจเจริญสติสติก็จะเลิญสติเป็นเครื่องตื่นชาคลิยานุโยคสติถ้าไม่เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมามีสติมันก็มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้ น, นมา พอมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมันก็เป็นปาริสุโทโธมันมีสติมันก็เกิดการตั้งมั่นขึ้นมาการรู้แล้วรู้ถูกรู้แล้วรู้ถูกด้วยนะมันรู้ถูกง่ห้คุณนะรู้ไม่ถูกง่ห้โทษมันรู้ถูกมันก็เกิดความตั้งมั่นในสิ่งที่มันรู้กันว่ามีคุณค่าไม่ได้ค่าคุณ แต่ถ้าคนมีกายมันรู้จักกายมันฆ่าคุณมีใจมันรู้จักใจมันฆ่าคุณมีความคิดมันรู้จักความคิดมันก็ฆ่าคุณไม่ใช่ใครมาฆ่าเลยตัวเองทําตัวเองรู้ ร, รู้ไม่ถูกถ้ารู้แล้วรู้ถูกเนี่ยอะไรดีไปหมดคนมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นกลไกมีรถสักคันเก่าๆก็ซ่อมขับไปถึงจุดหมายปลายทางแต่คนมันไม่มีความรู้ต่อให้รถป้ายแดง เดือมก็ลงข้างทางตายอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้อยู่ที่ยานแต่มันอยู่ที่เรางดกึกตัวมันได้อยู่ที่ปฏิบัตริรูปแบบไม่ดีรูปแบบผิดมัดไม่ดีครูบาอาจารย์ไม่ดีไอตัวเราแหลนะต้องกลับมาดูที่ตัวเรากันมันเห็นอย่างนั้นเมื่อมีสติมันก็เกิดสมายิโตขึ้นมาตั้งมั่นรู้แล้วเกิดคนเกิดค่า เห็นประโยชน์กับสัตวสัตว์สัตวสิ่งเลยไม่กล่าวโทษอะไรไม่ได้เลยว่าเขาไม่ดีมันไม่ดีมีแต่เราว่าไม่ดีแต่เราไม่เป็นมะเร็งเราก็ไม่เห็นคนอื่นไม่โรคมะเร็งแต่เราไม่ท้องเรากไม่เห็นคนอื่นท้องเราไม่ป่วยแล้วก็ไม่เห็นคนอื่นป่วยเราไม่แก่แล้วก็ไม่เห็นว่าคนอื่นมาแก่อาตมาเคยมีครั้งหนึ่งประสบการณ์ ขำแม่ของตัวเองเคยไหมเราเคยขำคนอื่นไหมเห็นก็หน้าเหี่ยวไงไปขำก็เคยไหมตลกหยอกลอ้อก็เอ้ยเหมือนลิงอะไรเงี้ยเคยมเดยดเดืทําดืทำเดืเลยเคยหมยอรดาบายเห็นแม่อรม า, าเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวเลี้ยงคนมากเดือนนีไ้ไปวัดไปว่าไปงานชอบไปทํากับข้าวเลี้ยงคนเป็นคนนิสายแบบนี งานที่บ้านไม่ทําเลยก็ไดนะ้ขอให้ไปช่วยคนอื่นนะสามวันสี่วันหายไปเลยไปคลุกอยู่บ้านงานนั่นนะไปคลุกอยู่ตามวัดนั่นนะทํากับข้าวให้เขากินที่บ้านก็เหมือนกันเวลามีงานสงกรานนะบันสงกรานเรือวันรวมญาติกันเรือลูกเต้ามานะโอ้ยทากับข้าวหายไปเสื้อกับข้าวกลับมาเนี่ยงเชงชงเชงหายเงียบอยู่ในครัวนั่นะ มอมแมมเลยไอ้เราก็สบายใช่ไหมเล่นชมนกชมไม้ไปนั่งคอยกินปไปเดี๋ยวก็ออกมาแล้วมามามากินข้าวกันมามามเราก็แม่มามากินด้วยกันมามามาม่เอาว่ากินเธอกินเธอเนี่ยน้าใจของคนนะให้คนอื่นกินก่อนลูกหลานกินก่อนไอ้เราก็นั่งเปิดกันสบายไปเลย ปรากว่าเรียกแม่มากินปอนให้แม่ออาแม่กินซะแม่ฝืนไม่ได้กินแบบอายๆนะเขินๆลูกปอนให้ตอนแก่เคี้ยวนะแก่เคี้ยวอย่างเงี้ยฟันหน้าเหลือแค่ฟันหน้านะแกะเขียวเงี้ยเคยเห็นคนแก่เี้ยวเฉพาะฟันหน้าหมปากเหมือนหนูเราก็ขำกันใหญ่เลยอ้าวฟันไปไหนแล้วแม่ เดี๋ยวหน้ามาอา้าวอาการเดียวกันเลยเลยหัวเราะก็สองคนเนะี่ยตอนหลังเราเป็นมาก น, นะเนี่ยพออายุมันมากขึ้นนะพออายุเกินสี่สี่เือนเอาความเสื่อมมาเยื้อมาเยือ น, อนนะพอทานอาหาร น, มนีมันปวดบางทีกามปวดตรองมาเคี้ยวฟันหน้ามันมนึกถึงเลยอว่าเขาอินเทอร์เป็นเองไนงะมันถึงตัวเองแล้วคิวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเป็นเหมือนกันไม่หมดนะ มันเลยเห็นแล้วบางทีเรามองคนอื่นสะท้อนมาหาเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเห็นในรายละเอียดของสองข้างทางภาวะผู้ดูดูและเห็นเห็นแล้วไม่ต้องไปว่าใครเห็นแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือการเดินทางชีวิตนะี่ดูนั่นดูนี่ดูโน่นเห็นเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆขณะที่เราปฏิบัติธรรมเราก็เห็นเหมือนกันว่า มันไม่ได้มีความรู้สึกตัวที่เราพยายามผลิตอย่างเดียวกรรมฐานขณะเราเจตนารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมันไม่ได้มีอย่างเดียวจริงๆอาการต่างๆที่ซ่อนซ่อนขึ้นมาเป็นปัจจุบันก็คือธรรมะแปดหมื่นสี่พันปฐมขันเป็นเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องของจิตใจที่มันแสดงออกมาในรูปรอยของความคิดนึกปรุงแต่ง สมมติฐานของความทุกข์ก็คือคิดเก่งโรงงานผลิตความทุกข์ก็คือความคิดโรงงานผลิตความทุกข์นี่คือความคิดถ้าไม่หลงก็เป็นในความคิดไม่ทุกข์มันคิดแล้วก็คิดไปมันคิดแล้วก็คิดไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมาแล้วเดี๋ยวมันหายไปเหมือนกับขับรถกันคนละเลนเลนใครก็เลนมัน ความคิดมีมันก็ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นความบริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยเองเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่เราขับอยู่ตรงไหนเลนของเราอัอนนี้ก็คือทางสายกลางมัจจิมาปฏิปทาทางสุดต่งสองทางที่ไม่ควรดำเนินทางสายกลางพระเจ้าจึงมาเห็นก่อนที่จะบรรลุธรรมในวันนั้นเนี่ย ได้ยินเทวดามังกรซีบบอกว่าที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการทำร้ายตัวเองอาตาคือมนยมทำตัวเองให้ลำบากมันพวกโยกีนอนเสียง น, นอนน้ำเอาหัวฝังดินไม่หายใจ อดเกาอดน้ำมันเป็นการทำรายตัวเองอาตากริมตานุโยกตึงไปมันก็จะขาดสายพินตะขันตึงไปมันก็จะขาดตะปล่อยหย่อนยานเสียงก็จะดังไม่เพราะความพอดีมันก็ปิง้งขึ้นมาว่า สะดุดนะหลังจากปฏิบัติมาหกปีนะสะดุดในวันนั้นหอถ้าตึงไปมันก็จะขาดถ้าย่อนไปก็จะดังไม่เพราะทางสายกลางมันจิมาปฏิบัทารู้รู้รตัวรู้สึกตัวัารมหายใจได้เห็นความจริงมันปรากฏขึ้นมายามสามก็ระหว่างนี้หละตีสามทุกหโมงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาหลังจากนอนทั้งคืนเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ กายได้พักกจได้พักมันเกิดการตื่นตัวขึ้นมาร่างกายก็ไม่เป็นภาระนะทุกเวทนาก็ไม่มีมากจิตใจก็ได้พักมัสี่ห้าชั่วโมงมันก็มีพลังมีกำลังหลังจากที่เหนื่อยล้าหมดเรี่ยวหมดแรงก็ได้พัก หยุดการใช้งานสักระยรหนุ่มมีพลังอิ่มขึ้นมาเต็มขึ้นไปยามสามบรรุอาวัยวัคยยานได้เห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หรือว่าพยามาณตัวจริงมันก็คือความคิดของเราเองการหลงก็เป็นในความคิดความไม่รู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัว การติดรู้การยึดรู้จนทั้งใช้คําว่าพุทธโออุทานออกมาเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้เองจังกลายเป็นศาสนาพุทธมาถึงทุกวันนี้แหละเพราะนั้นนายช่างผู้ปลูกเรือนก็คือลักษณะของการปรุงการแต่งที่หลงก็ไปในความคิดนั่นเองตัวอวิชชาคือความไม่รู้รู้รู้ไม่ถูก เราจะมาฝึกรู้แล้วรู้ให้ถูกรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริง <c oughs> รู้กายมันก็เห็นกายสักแต่ ว, ว่ากายปรู้จักมันไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ตัวตวนบุคคลเราเขาเห็นเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดกับกายมันก็ไม่ใช่สัตว์ตัวตวนบุคคลเราเขา เห็นอาการของจิตจิตมันคิดเก่งจิตกับคิดมันไม่ใช่ตัวเดียวกันจิตเดิมแท้ประพัฒสอนพองใสคือใจที่ว่างจากความหมายของความเป็นตัวตนความคิดมันเป็นสังขารที่เป็นความบริสุทธิ์เป็นสัญญาที่เป็นความบริสุทธิ์ระลึกนึกคิดปงแต่ง ต่ง น, นะเราลึกอันนี้เปนตัวสติอาการของสตินึกเอ๊ะมันคิดนิดเดียวแล้วก็จบคิดอันนี้มันคิดอย่างตั้งใจกับไม่ตั้งใจมันคิดเกิดขึ้นมาถ้าตั้งใจก็เป็นกุศลถ้าไม่ตั้งใจก็เป็นอกุศลหรือบางทีไม่ตั้งใจแต่มันคิดแล้วคิดถูกก็มีเหมือนกันเดีย๋ยวผมปิ้งขึ้นมา แก้ปัญหาไม่ได้ปรากฏวันนี้มันแก้ได้ปิขึ้นเลบางทีเรามีปัญหามีความทุกขนะ์เนี่ยไม่ต้องรีบแก้ก็ได้บางทีรีบมันก็แก้ไม่ได้บางปัญหาต้องใช้เวลาบางทีทําดีไม่ถึงดีมันก็ทุกข์ใจทําดีอยู่แต่ทาไม่ถึงดีมันก็ทุกข์ใจเพราะว่ามันยังไม่สําเร็จทําดีไม่ถูกคน อันนี้เราก็ไม่ได้รับผลให้เขาชมว่าดีถ้าต้องการทําดีให้เขาชมต้องทําดีให้ถุกคนทําดีไม่ถุกคนเนี่ยเขาไม่ชมเราหรอกทำดีกับคนที่เขาอาคติทําดีขนาดไหนก็ถุยน้ำลายใส่นี่พระจิตเป็นคนละพบคนละภูมกันทําดี แล้ทุกบางทีต้องใช้เวลาให้เวลากับตัวเองนิดหนึ่งทําดีให้ถูกกาแลเทสะบางทีตอนเขาขอก็ไม่ให้ตอนที่เขาไม่เอาแล้วไปให้ยัดเยียดอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกขอไม่ให้แต่พอเขาไม่เอาแล้วก็ปีก้าขาแข็งยิงย้าโสก็มาจะไปให้เขาเ้าก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วก็เสียใจ ตอนคิดช่วยไปช่วยตอนที่เขาตายไปแล้วเสียาดายเสียใจมันไม่พลาอยู่รูปหนึ่งในสายหลวงปู่ชาเดินจงกรมเดินทุ ด, ดงได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเฉยรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยอุยเบกขาเว้ยนะอุยเบกขานะพาชิพาย รู้เฉยๆรู้เฉยๆผู้หญิงโดนข่มขืนและค่าตายไปปักกอดตุยไม่กี่กิโลนรู้ขา่าวยญิงเนนค่าตายมาเสียใจทีหลังตัวเองทำไมไม่ช่วยเขาตอนนั้นแค่เขาเห็นเ้าก็วิ่งเพ่นไม่ไมรู้เรื่องนะแต่ตัวเองทำเป็นเฉยๆขี้ขาดนะยญิงคือ ข, ขี้ขาดคนบวชที่ขี้ขาดกันเนยอะนะอกหักหลักรอยคอยงานสังขารเสื่อมบวชจะเบียดบวชแก้บนมันไม่มีความเลื่อมใส จะเริ่มใส่สัตตาเนี่ยมันไม่ได้สนใจอะไรหรอกมันจองอา่านองค์อ่านอ่านอาหารพอสมควรอะไรถูกอะไรผิดทันพร้อมมันไม่ได้สนใจหรอกมันต้องการช่วยคือช่วยไม่ได้มีอะไรหรอกเบื้องหน้าเบื้องหลังจงท่านเขาเรียกว่าเป็นอัภิมัญญาคือตายไปก็ยอมเสียเงินเพื่อรักษาวัยวะเสียวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติน่ะมันไม่กลัวตายหรอกมันไม่กลัวถ้ากลัวตายคือมัจจุมาลมารมากัน้นมาขวางเรารู้อยู่แล้วเราก็พร้อมเผชิญบาทีมันกลัวเหมือนกันกลัวรักษาใจเพื่อนมันกลัวว่าเพื่อนเนะ่ยบางทีอีกนิดเดียวเขาก็จะหลุดพ้นแล้วอย่านี้ก็ต้องรักษาใจก็จึงบางทีน่ะ น, นะ พระที่กำลังบวชนะแล้วกำลังสวดมนต์นถ้าไปทำให้พระรูปนั้นสติสมาธิหายไปแล้วก็สวดมนต์ไม่ได้ติดขัดพระรูปนั้นก็อาบัติหรือว่าในสมัยพุทธกาลนะมีเด็กอยู่คนหนึ่งบรรลุธรรมชื่อบันดิตบัณฑิตก็เดินตามภาษารีบทเดินตามพระเจ้า เดินตามเสร็จแล้วก็มีการถามตอบกันว่าการบรรลุธรรมต้องทํำยังไงถึงจะบรรลุธรรมได้ไวภา ษ, าษารี่เบรก็บอกว่าก็ต้องเดินจงกรมให้มากๆต้องปฏิบัติให้มากๆจำเนนบัณฑิตได้ฟังปั๊บงั้นผมไม่ไปบิณาบาลนะผมจะกลับไปเดินจงกรมก็กลับไปเดินจงกรมเดินไปเดินกลับบรรลุธรรมเป็นพนระรหัสเลย สมปับัณฑิตนี่ยครั น, นี้พระเจ้าเห็นแล้วว่าออกสมปันรูปนี้กำลังจะบรรลุธรรมก็เลยบอกภาษาริบเลยว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปกวนนะปล่อยสัมปันบัณฑิตสัมปันธบัณฑิตก็มีความสําเร็จเกิดการบรรลุธรรมเดินทางสู่มรรสู่ผลขณะนั้นเลยจนมีคําว่า ดอกไม้จันถึงแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอาศดินเข้าสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยเข้าหีบยนก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตประสบทุกข์เกียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมบัณฑิตคือสมบัติในบัณฑิตนั่นแหละประสบทุกข์เกียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมเพราะเราจุกลัวอะไรการปฏิบัติ ศึกษารับรู้รับทราบให้ชัดๆสรุปจะประเด็นให้ได้ว่ามาทำอะไรมาทำอะไรหน้าวัดก็เขียนไว้แล้วว่าสถาบันสติปัฏฐานอาตมาในี่แหละเป็นคนแกะปั้นหล่อ ด, ด้วยเมืองของตัวเองราคาถูกๆหล่อ ด, ด้วยซีเมนตนา์ทาสีทองเพราะเห็นความสำคัญจากคำพูดของหลวงพ่อคาเขียนมีพระอีกรูปหนึ่งเห็นด้วย เาปรึกษ า, ากันเห็นว่าน่าจะเป็นสถาบันสติปัฏฐานที่ไม่มีอะไรมาเจือปนเลยทีเนี้ยเพื่องการฝึกสติล้วนๆอา้าวไม่เป็นไรในเมื่อมันมีหลายกิจกรรมก็ให้ชัดเจนอีกอันนึงว่าข้างในเนี่ยเตือนอีกทีหนึ่งสถาบันสติปัฏฐานนะถ้ามาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเตือนอีกทีหนึ่งป้ายข้างๆเนี้ยถ้ามันหลงลืมไปมันอยู่ที่นี่เหมือนก็เ อ, อมาเที่ยวรีสอร์ท หาความสวดการกินกับกันมันก็เตือนให้อีกครั้งนึงสองครั้งแล้วก็บอกด้วยว่าปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวตรงไปตรงมาเลยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวจะไปกลัวอะไรกลัวถูกหลอกตรงไหนในเมื่อเราปฏิบัติทำลงมือทำเราก็รู้ด้วยตัวของตัวเราเองนั่นแหะมันรู้มันหลงก็รู้ด้วยตัวของตัวมันเองต้องให้ใครมาบอก ต้องยัมารับประกันเนี่ยมันก็จึงหลอกตัวเองไม่ได้คนอื่นหลอกผีหลอกมันยังไม่แน่กลัวเท่าตัวเองหลอกตัวเองเพราะเราไม่รู้สึกตัวตรงนี้มันจะถูกความคิดของเราเนี่ยที่เคยคิดแบบเก่าๆคิดแบบพร่ำบน่นคิดแบบกล่าวโทษคิดแบบเรื่องราวต่างๆคิดแบบตีความหมายหาเหตุหาผลยุติเลยมาที่นี่ ยกเลิอกออกไปจากระบบของความคิดเลยเหลือแค่ตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวตัวนี้มันจะเป็นอริยมรรคไม่มงูแปดเลยเป็นทั้งหมดเป็นทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจามะสัมมากรรมตตาพวกนี้มันเป็นทั้งหมดทั้งสัมมาสติสัมมา ส, ส ม, มาธิไปเลยนะทิปัตจารตะวามติทีนะมันมีมงูแปด เคยท่องไหมเวลาท่องอะไรมันลัดจำง่ายๆนะอย่างอุปกิเลสอย่างเงี้ยกดหลูลิ์หนีมาอวดปลดลามกผิดครบแล้วหรือเราจะไปท่องอะไรอีกโพธิปักเขียธรรมสามสิบเจ็ดประการมันมีวิธีท่องให้จำได้อย่างลัดจำให้จำนะ เพราะฉะนั้นทำให้รู้แจ้งน่ทำอย่างรัดๆมันก็ต้องมารู้สึกตัวนั่นแหละนิดเดียวเป็นทุกอย่างเลยสัมผัสกระทบรู้สึกจึงย่อให้มหาติฐานส่วนนั้นกายกระจมารวมกันได้มีสติผูกก็นไหม็คือใจมีสติเยอยบกายแค่นี้แหละล่าลงมืออ่าลงมือทำให้เป็นถึงไม่เป็นก็ซักซ้อม เราก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันเบื้องต้นเลยคือรู้สึกตัวมันไม่ได่รู้เรื่องนอกตัวรู้สึกตัวมันก็สัมผัสรู้ไม่ได้คิดรู้นี่เป็นการเริ่มต้นสู่ประตูของนิพานมันก็จึงเป็นประตูเป็นทางออกสู่ความเย็นเป็นนิพานความเป็นปกติเป็นทางหนีไฟสิ่งที่ไล่หลังมาคือ นิสัยวันนิสัยสันดานมาไล่หลังดึงดูดเข้าไปถ้าถอยก็ไม่เคลี่อนไปกับมันเป็นสุขเผาสุขจีเมื่อเราวิ่งอยู่บนอริยมรเจอประตูนิพพานคือความเป็นปกติของจิตมันก็สงบเย็นเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษตรงนี้แหละมันจะเกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเกิดสันติสุขสันติภาพเป็นประโยชน์ต่อตนเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อญาติพี่น้องต่างๆ เรากิดความรึกว่าเออคุ้มค่าคุมค่าที่เกิดเปนมนุษย์ษแล้วพประวัติาสรนาได้ปฏิบัติลงไปในเรื่องของสติปัฏฐานสซึ่งมันมีหลายเรื่องในโลกนี้มีหลายเรื่องงานการหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วก็ทํามาแล้วมากมายตอนนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทํากรรมฐานได้เกิดธรรมะธรรมชาติ ที่นอยู่เนืเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายนืทุกเราก็ได้ลงมือทากันแล้วนะอย่ามาสามวั น, น, น, ว, น, นะนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ได้มาเจ็ดวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงเราจะอัมลาพาจากกัแล้วตอนนั้นเก็บเกี่ยวเวลาที่เหลือทุกๆวินาทีก็เก็บเกี่ยวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวหลังกลับไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้มันมีความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆอยเปรียบเหมือนกับแสงไฟที่วับๆเนแแบๆทางหนีไฟมันก็จะมีเส้นถ้าเป็นโงหนังโลงละครเห็นไหมทางฉุดเชิญจะเป็นไฟหลีๆไฟหิ่งห้อยไฟดีซีกระแสไ ฟ, ไฟถ้าไฟดับแล้วไฟตัวนี้ก็ยังสว่างอยู่ถึงแสงมันน้อยๆแล้วก็วิ่งตามแสงไปกันเดี๋ยวก็เจอประตูทางออก แสงหิ่งห้อยมืดยา ม, มืดนะสว่างแวบๆนิดเดียวมันโอ้โหมันเห็นชัดบางคนสมัยโบราณนะจับหิ่งห้อยมาใส่ขวดสองสามตัวแล้วอะไรมาสว่างเพื่ออ่านหนังสือเพราะไฟฟ้าแบบนี้ไม่มีก็เคยได้ยินได้ฟังมาจากคนที่เขาตั้งใจเรียนรู้จังตั้งเป็นด็อกเตอร์ บางทีเขาก็ไม่มีอาหารกินนะไปอยู่หอพักไม่มีอาหารกินกระถิ่นกินยอดจนไม่มีจะกินเขาก็ลอกเปลือกมาจิ้มน้ำพริกกินมันขนาดนี้นะหรือผมและอาตมาเนี่ยเคยสมัยหนึ่งไปเรียนอยู่เชียงใหม่นะไปอยู่หอพักของอาจารย์เือดอาจารย์อวยพรบัวใบเป็นวิศกรเสร็จแล้ว อยู่หอพักมันไม่มีอะไรจะกินน่ะโยมตอนที่ได้เงินจากพ่อแม่ก็ใช้จนได้ว่าไม่ได้ระมัดระวังต้นเดือนยังไม่ถึงกลางเดือนก็หมดละพอกลางเดือนไปหาปลายเดือนมันก็ไม่มีจะกินน่ะไปหาหยิบหายือ ม, มก็ เกกขินขนบอกไม่ดูกอาอเขาการนี้บางทีก็ได้แปรสัยทานข้าวอาจาย์สมใจน่แหละตอนเย็นเดินไปด้วยกันตอนนั้นเป็นประธานชมรมพูดอยู่นี่ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ไปด้วยกันตอนเย็นไปนั่งกินอยู่แถวหน้ามอจอก็รอยไปวันๆแบบนั้นแล้วปกไ็ไปกินต้นแครของเขาตายทั้งต้นเลย ต้นแครออกดอกไม่ทันเลยยอมยอดก็ออกไม่ทันรูดใบมากินก็เอากินจนต้นมันตายเลยอ่ะทั้งต้นเลยอ่ะจำไม่ลืมเลยอระมาเนีบางทีเนี่ยไปหาเศษตังยมเศษตังอยู่ตรงไหนเนะมันร่วงหล่นแถวนี้มันอยู่ในกระเป๋าซอกเสียบข้างฝาไว้บ้างอนะรมารวมรวมเงนซื้อไข่ได้ฟองหนึ่ง แล้วก็ไม่มีข้าวอ่ะข้าวหมดนะยอมทําไงน้ํามันก็ไม่มีอะไรก็มีอัดมากระเซียบปักเตาเลียดนั่นแหละไ ง, งายก็ร้อนๆตอกไข่ใส่แล้วมันก็เตะนดะดี่ยอมมานั่งแคะกินดีละนิดดีละนิดแค่เอานะอนาถาขนาดหนักเลยมันผ่านทุกมาแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากมันทุกจกนนมันรู้จะทุกอย่างไงแล้วเพืนะ่อนพึ่งตัวเองะ นเล็กๆในน้อยนมันความสวยงามความงงานของชีวิตมันเป็นความเติมเต็มที่ทำให้ชีวิตเรามันรุยโลกแล้วก็ผ่านได้นั้นอย่าไปท้อแท้ทั้งหลายลเนยเด็กก็มีนักเรียนนักศึกษาไปทำงานก็มีขฤลือหัสนักศึกษาหนึ่งถึงสาสิกับปรยจก็ต้องรู้สึกตัวนะข้อเลือหัสน่ยิ่งสมบัติภัยกันชมผลประโยชน์เันเยอะทะเลาะ ก, กันตายเลย เพื่อนกันลักขนาดไหนเดี๋ยวก็ได้ทะเลกกาะกันเพื่อยแย่งขั้นแย่งตําแหน่งคุยกันรู้เรื่องไวัยะลือหัดสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานนะก็ต้องมีความรู้สึกตัววัยวานปลัดกระไกลกระเซียนแล้วมีบ้านอยู่หรื อ, อยังดวนนี้ยังใช้ไม่หมดไงประเดี๋ยวพอกระเซียนแล้วหัก กบลบนี่แล้วมันไม่มีจใจใจจะทํำยังไงแก่แล้วหมดเรี่ยวหมดแรงไปทําอะไรกินมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวนะจัดระเบียบกายวาจาใจของเราเดินให้ถูกที่ถูกทางยิ่งวัยเกษียณแล้วนายยมไหมมันเตรียมตัวตายอย่างเดียวแล้วจะไปทําอะไรห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์มันเสียเวลาไมนจะต้องหลุดโล่งแล้ว จะเป็นร่วมโผล่ร่วมใส่ลกหลานเข้าใกล้แล้วก็เย็นให้ข้อมูลความจริงกับเขาก็าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรดีกว่าเครียดแล้วก็ไประบายความคิดระบายความทุกข์อะไรคนเขาฟังสวยชั้นสาวๆเป็นอย่างนี้อย่างงี้มั่นชั้นเก่งอย่างนี้หรือว่าบนคนนั้นไม่ทําตามใจเราคนนี้ไม่ทําอย่างนี้ อนุักษ์จนกระทั่งไม่รู้ว่าพัฒนาของโลกอรารยธรรมของโลกมันเปลี่ยนไปยังไงเงี้ยกลายเป็นเต่าล้านปีเขาด่าก็บนไดโนเสาร์เต่าล้านปีมันก็จึงต้องมีสติทุกวัยเราได้อยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกอย่างเด็กรู้ได้เร็วก็เป็นกําไรชีวิตวันนี้เรายังไม่ตายยังอยู่อีกห้าวันสิวันสิปียี่สิปีอะไรก็ตามเป็นกําไรชีวิต มันก็มีวิธีพร้อมจะลุยโลกโลกนีนะ้เป็นโลกที่มีสุขมีทุกข์แล้วก็ไม่หลงโลกไม่จมทุกข์ไม่วมทุกข์ไม่หลงอยู่กับความสุขจะต้องเสียผู้เสียคนบางคนคนแก่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งโย ม, ม้วยบางทีมาสังเกตเห็นโดวยว่าพวกฝรั่งคนไทยเด่นนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่งตัวเขียนคิ้วทาปาก นงแกงแบบรัดเป๊ะเลยไงเหมือนงั้มหนังกระติกเลยอย่าไหมเ <c oughs> คเห็นงั้มหนังกระติกไหมเดี่ยวนงใสเดี่ยวประนี้ยงกัดกระดือบวมหมดอย่าไหม <c oughs> นะอ่เราอยู่กับโลกก็ต้องรู้จักกนะันความรู้เนื้อรูตัวไว้ใช้กับโลกนี้ต่อไปเอานะ วันนี้ตั้งใจพูด45นาทีตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะก็เห็นว่าเป็นการส่งท้ายกันเผื่อเราจะกลับไปรุยโลกใหม่ก็ขอใหนะ้การที่เรามารวมตัวปฏิบัติธรรมในวัดป่าสุตูนกาวกังเนี่ยก็ขอให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวที่เกิดจากการฝึกหัดนะแล้วก็รู้แล้วก็รู้ถูกเนะี่ยจนทั้งมันนำชีวิตของเราเป็นวิในานะกายวาจาใจนะ มีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําขณะคิดขณะพูดขณะทำหรือรรว่าหลังคิดหลังพูดหลังทำฉะนั้นนําชีวิตของเราไปสู่ความผาสุกเกษมสารก็คือพ้นภัยเป็นลักษณะของจุดสุดยอดของชีวิตของเราที่ได้ชีวิตมนเป็นมนุษย์ได้โพสต์สตว์นาก็ขอให้บังเกิดกับชีวิตของเราโดยทุกนาการทุกท่านทุกคนทั้นเธอ